เป็นเทศของธนาจาร์พระมหาบัวเทศที่สลาวรงครัวในวนคืนวันที่สามพฤศจิกายน2548ที่ไห น, นในตัวเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนีม่ผมู้ไว้กิดถึงแล้วทำจะมาสัมผัสแล้นี่ยิ่งเดืด ฟังไม่ชัดยิ่งกว่าเราส่งสิทธิออกไปฟังฟังเทศเพื่อให้เกิดผลในในการฟัิตเมื่อเราตั้งไว้ย่นแล้วทากระแสต่างๆสัมผัสสัมปันนั่นก็มันก็เหมือนคือรับสัมผัสอีกตลอดเวลาจิตก็มีโอกาสที่คิไปนั่นนันัน่เป็นการตรงต้องวิธีการการฟังเทศ อะไรก็มีห้าเหมือนกันมันลืมมาเนี่ยเรื่องเขาสู้เขาหิบหมดว่าไงบ้างโั่แสงนำตรีนุ่นอันนี้ส่งการฟังธรรมมีห้าและองค์ของครูแสดงธรรมก็มีห้าเหมือนกันองค์ครูแสดงธรรมมีห้าคือหนึ่งแสดงธรรมโดยดับมาตรัาให้ผัดความสองอ่านขุนเนี่ย ให้ให้ผู้ฟังเข้าเข้าใจสา ม, สาสมสาาท่าศีลนิทราปรารภเป็นประโกชน์ต่ผู้ฟังสี่ไม่เไม่เคยดังทำก็เห็นแตริ่าห้าอะไรไม่ไ ม, ไม่ไม่เยดังทำเพื่อยกตนข่มคนอื่นห้าองค์ธําก็ถถกคือนักเทศที่แสดงทำแล้วการทํำทำตัวต้องการทาำก็มีห้าเหมือนกัน หนึ่งผู้ฟังทาได้ฟังสิ่ที่ยไม่สคยได้ยได้ฟังสองสี่ท่านที่เคยได้ฟังแล้วแต่ยังไมเข้าใจชัดก็จเข้าใจถึมนันชัดสามจะมันเทาความสัยได้สี่จะกำความเห็นให้ถูกต้องได้ห้าสททุกครัมงต้องใสผลที่เรได้รับในปัจจุบันคือจริงนที่เรายังไม่เคยได้ยินเได้ฟังแล้วเราก็อ่านได้ยินได้ฟังถ้าผู้ที่รจะยอมได้ยางทามาต่างๆกัน แล้าสิ่งที่เคย ย, ยินฟังแล้วก็จะชัดสิ่งที่เด็กคนไหยังแก้ไม่ได้แก้หิงก็แก้ได้แนตวตมมองเดียวทํามเ็นตรงได้น อ, อันนี้หลักสำคัญคือเวลาเรานํนา่ค่อยๆยิ่ในสิ่งที่เราสงสัยอย่างเลยเพราะท่านเพื่อนตั้งถึงจุดนั้นเข้าใจความเห็ของเราก็ตรงไปถ้อสอส า, า ส, สิ่งที่ฟังแล้วสงสัยคือไม่สงบถึงไม่สงบมันก็งสงสัยนะถ้าไม่สงบมันจะเอาอะไรมาสงสยังงสย น้ำก็มันก็มันก็ใสแตา ม, มันนิ่งตะกอนมันนอนก้นทำของพระพุทธเจ้าลุกซึ้งมากถ้าเป็นธรรมดาสามัญเรานี่ก็เยียบละถ้าเราจะรวบรวมทำทุกขั้นมาพิ่จะนานแล้วไปเลยมันสุดวิสัยของเราจะทำขั้นสุงขั้นละเอียด นันจะขั้นยำหยากมันไม่สุดวิสัยในการที่จะทราบความจะจะเข้าใจแต่ที่เลียนมันก็ให้สุดวิสัยทำไม่ได้มั่งอะไรมั่งขี้เกียจมั่งเหนียมสุดวิสัยอันเนี้ยที่เลียนพาให้สุดวิสัยก็มีตัวองยังไม่สามารถคิดจริงๆมันก็มีสิ่งที่เราพอทําได้นี่มันก็สุดวิสัยอยู่เรื่อยๆระวังมันขาดวิสัยที่ที่ควรจะติดต่อกันไป นั่นหละออกได้เดินหลับอะไรมันมตัดความขี้เกียจความอ่อนแอการจะพิจารณาใส่จองตามอัดตามทำนเนี่ยต่างๆนั่มันก็ขี้เกียจเต็งหมดความขี้เกียจมันครอบมันมนีอำนานมากสิงที่มันนั้นไม่ขี้เกียจคือสิ่งที่จิเลศชอบนั้นไม่ขี้เกียจจิเลศพาเดินที่ไหนมันเดินไปได้ สนทะไยก็รู้สึกว่าไอ้เชือกที่ดึงไปนั้นอ่ะมันไม่ตึงเลยอ่ะมันยื่นตามปกรแบบๆๆถ้าว่าสมมุติเราทำนี่สนทภไยดึงในจมูกขาดไปหมดันจะต้องมาสนทะไยกลางตัวนั่นลึกกางตัวมก็จะขาดนั่นไม่อยากไปมันมันหนักไปหมดเอะความไม่อยากไปมันหนักไปหมดมันอ่อนไปหมดความไม่อยากทํามันอ่อนนี่ แต่จะทำไปให้หนักมือบ้างพอที่จะให้หกิเลสมันตื่นมันกำลังนอนสบายร่องเกร็งสบายอยู่บนหัวใจเราแล้วเหมือนก็ว่ามันเคลื่อนไปทั้งนิดหนึ่งเราปฏิบัติทำเข้าไปพอจะเป็นการสุกกิเลสอ่ะมันก็ยังไม่พอให้กิเลสตื่นเช่ไม เราก็เผินซะก่อนแล้วที่เรียนยังไม่ตื่นเลยมันตื่นมันตื่นเพื่อจะคู่หรือมันตื่นตื่นเพื่อจะมาสอนเราเพื่อจะมาตำหนักเราหรือมันตื่นเพื่อจะหนิงที่เรียนมันตื่นหลายตื่นเกินมากมันตื่นเพื่อจะมาตำตำหักเราพอจะนั่งพอนาก็อ้อนี่มันหนักมากไปนั่นนั่งนานไม่ได้นเดี๋ยวเป็นโรคน็บาแ น, น่น <c oughs> มันก็เหน็บชาเนี่ว่าไงล่ะเสียแข้เสียขาเสียวายวะไม่ไหวนานกิเลสมันบอกไม่ไหวคือเขต้องทําพอดีพอดีสิพอดีพอดีคือไงที่มันกงกลางจริงๆก็คือหมอนวางกองกลางปับได้ความเลยนั่นแหละมัชชิมาของกิเลสในสารพันชาพันวัฒนคือความพอดีของกิเลสมันพอดีไปอย่างนั้นถ้าเป็นความพอดีของธรรมความพอดีของมัชชิมาจริงแล้วกิเลดสยกกองพลมา เรายกกล่องคนเลยที่เดชขนาดไหนเราก็ยกนับที่เดชขนาดนั้นเป็นอย่างน้อยและมากกว่านั้นเพื่อจะกําลังกําลังมันจะมากเหมือนกันที่เดชถึงจะแพ้เราที่เดเวลามาลาันรังควาลมามากเร า, า, าก็ต้องสู้มันให้หนังหนักนั่นมันหลอกเามากเราก็ หลอกมันมากไอเย็นมากอาควรถึงเป็นยิ่งตายเอา้าเขาให้ถึง น, นี่คือนักต่อบคู้คือนักรคตายก็ตา ย, ายตายในสงครามแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าแพ้หน่อยฟังตายในสงครามไม่ไม่เป็นไรมีเกียรติแต่ความแพ้ถอยหลังมากรุดๆ น, นี่ถึงจะมีทีวอยูนะ่มันกม็มีค่าอะไรเลยนี่แหละมัชชีมาให้ เ, เป็นอย่างนั้น เอ้าวจะตายก็ตายเพื่อบูาบชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดที่เลยดเดียดเราต้องเด็ดที่เล็ดแข็งเราต้องแข็งที่เล็ดถึงไหนเราถึงนั้นเอ้าวจะเอาถึงตายก็เราอดยอมตายเราไม่ถอยนี่ละมัชชิมาของพระพุทธเจ้าคือทนันที่เล็ดเสมอไปเรียกว่ามัชชิมาถ้าตามที่เล็ดไม่ทันไม่เรียกว่ามัชชิมา กิเลสประเภทไหนทนันเอาให้ทันกิเลสประเภทนั้นโดยลำดับ ๆ, ๆมันจะแหลมคงขนาดไหนเอาขนาดนั้นมันจะโหดร้าทะลุขนาดไหนเราก็เอาให้ถึงความโหดร้าทะลุของี่เลสเราก็หาโหดล้ายทะลุตามเรื่องของธรรมที่จะฆ่าี่เลสกิเลสจอมแพ้เรากิเลสหมดนนมงไปมากมากเท่าไรนั่นแหลมเรียกว่ามัตติมาเหมาะสมที่สุดกับการฆ่ากิเลสมัตติมาท่านเป็นอย่างนี้แตทา ง, ง, งท่านเข้าใกท้าวสาวก ท่านทำความภาคเพียรตั้งนี้เป็นคติและอย่างออย่างนี้ทั้งองค์ให้ตาแตกงาที่เลือก็แตกพอาะได้ตาแตกที่เลือก็แตกทำก็สว่างจ้าขึ้นตาภายในสว่างจ้าขึ้นท่าจันมั่นสลบชามหงษท่นสลบนี้ป่วย ป่วย ท, ท่นานภาวนานั่งภาวนาทำใม้ทุกข์ขนาดนั้นเอาวันกลางหนักสู้กับเวทนาพิจนากระโลงล้มลงไปรู้สึกว่าปุกขึ้นอีกสามโมงแต่ไม่ใช่ให้หนเดียวกันนั้นให้หายเหมือนนั่นหาเอาจนเอาจนชนะทำนม่าน่ามัธยมให้ฟังด้วย มัชชิมาผูเชี่อแบบแบบไหนก็ต้องเอาแบบนั้นอมาใช้ทำผู้เช้่วที่บอกมัชชิมาทีาทเาทาาทา่เหมาะสมกับการฆ่าที่เล็กไม่ใช่เหมาะสมกับการส่งเสริมที่เล็กแล้เราเข้าใจไว้ตรงนี้สำคัญมากมาัชชีมาของเราคือมัชชีมาที่เล็กทำอะไรอะไรลงไปกลัวแตจะรายควรจะเหน็ด จ, จ, จ, จะเหนื่อยควจะลำบากลำบนัวจะเป็นโรคหยุดขาควรจะเสียการเสียงานควจะคืกบกว่านี้วรจะล่าสมัยข้อมื เหมือนกับทำวยชาเป็นทำล่าสมัยถ้าทําำวิชาล่าสมัยตอนคนนี้เป็นถูกความถูกไม่น่าสมัยหรือต้องการสมัยทําไมไม่ดูเข้าไปที่มันร้อนๆมันมันจะได้ทันสมัยแต่ความถูกที่โลกต้องการกันทั้งนั้นแม้แต่สัญญาสารต้องการคนย้าสอนคนไม่ถึงความถูกความเจริญแล้วมันจะล่าที่ไหนหล่าสมัยผลคือความถูกความเจริญที่สัตว์โลกต้องการ เหตุก็คือการดําเนินเข้าไปเพื่อความสงบสิ่งล้วงเย็นยิ่งเรือเบี้ยงย่าทําลายจิตให้เดือดราอนมุนวายเป็นไฟทั้งกองนั้นเราทําสมัยแล้วหรือยังการฆ่ายิเรลด้วยมัชฌิมาปฏิบัติทางของพระเจ้านี้ให้มันรากลงกปออกจากจิตนั้นมันลาาสมัยแล้วหลือแล้วใครไม่ต้องการความสุขในโลกนี้ถ้าผู้ใดไม่ต้องการความสุข ถ้าความสุขเป็นละเป็นเป็นสิ่งที่น่าสมัยเ้ายอมรับให้เสียคนประเทศนั้นอันนี่มีความสุกนั้นเราต้องการนุกการทุกคนและทำสอนคนเพื่อให้รับความสุขความเปเนินทําไมจะไปล่าสมัยและผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสุขแล้่าสมัยที่ไหนคำว่าที่ล่าสมัยก็คือเรื่องของกิเลสดีๆกิเลสมันทันสมัยไอ้เรามันล่าสมัยมันไม่ทันกับกิเลส คนมายางกิเลสมันหลมคมมากหลอกทั้งวันทั้งคืนเชื่อมันตลอดกลับตลอดกันเราไม่ทราบว่า ม, มันหลอกเราเราดูที่ใจของเรานี้อย่าไปดูที่อื่น<ม>การเรียนทำการปฏิบัติทำเรียนที่ใจดูความเคลื่อนไหวของใจที่แสดงออกมามันคิดถึงดีเชื่อประกักนใดความคิดนี้ในแง่ใดที่เป็นการส่งสเสริมกิเลสคือความบุ่บวาสุมาเจตตุลความคิดชนิดนั้นเป็นไฟเป็นความผิดให้พยายายมแฉไขมันทันทีเช่นเดียวกับดอกไฟ กระเด็นมาถุบเราเนี่ยแม้แต่เล็กนิดเดียวก็ตามมันยังแสดงความร้อนมราต้องรีบปัดออกทันทีไม่ใช่ว่าเราจะไม่โดนเข้ากระตุกกองไฟไดอกไฟมันน้อยนิดเดียวมันพูกองไฟไม่ได้โดนเข้าฟองไฟจะดีใครมีความคิดอย่างนั้นหรือโลกที่มีเศรษฐีชะตังอยู่แล้วจะไม่คิกดกันนอกจากคนบ้าหรือคนตายแล้วเท่านั้นไม่ว่าเท่นานั้นไปเดูนี่น้องพิเียดมันก็ไปคิดต่อโลกอย่างนั้นนัน ถ้าเราคิดอย่างนี้ให้ถึงใจแล้วการแก้กเดชกรแก้อย่างถึงใจนั้นรู้ผลต้องการแก้เดชอย่างถึงใจอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าที่มาทําธรรมสอนโลกทรงสอนโลกความถึงใจเพราะรู้แล้วอย่างถึงใจปฏิบัติอย่างถึงใจมาสอนโลกต้องสอนให้ถึงจิตถึงใจไม่ถึงใจไม่ถึงกิเลสเพระกิเลสเป็นกิจของคนเราต้องการนักด้วยกันต้องการที่สุด ความสุขความเป็นเลิความหลังอย่างนั้นแต่ไปโลกไหนก็ตามไปที่ใดก็ตามต้องการความต่อความเป็นเลิศยาบททั้งสี่มีความต้องการความสุขความเป็นเลิเป็นเห็นพิธของใจที่เป็นความมุ่งหมายเป็นรน้าขาน้องจที่ต้องการและเหตุใดทาที่เป็นเครื่องแก้ที่เดชเพื่อให้สมความต้องการนั้นจะเป็นคําที่ล่าสมัยัจดูที่ใจ การปฏิบัติธรรมมันคิดขึ้นในแน่เลยนี่มันเป็นปนัญญาของยิ่งใหหรือเป็นเรื่องของธรรมนี่เป็นเล่างสังสมย่งใหญ่หรือเป็นเรื่องแจ้งยิ่งใหญ่เราจะทราบในขนาดผิดของเราเป็นขนาดขนาดไปพิจารณาอยู่โดยสมองสมองพิจารณาเรื่อยมันก็ยิ่งถึงโทษเห็นคุณไปเรื่อยๆทาง ใ, ใจนั้นแหละไม่ได้มีที่ไหนที่เป็นบอกเกิดแห่งหคุณแ ห, ห่งคุณแห่งโทษแห่งกรรมที่เกิดที่ใจละงับการที่ใจนั้น เมื่อนับขึ้นใจแล้วมันก็แสนสว า, ายไม่เลาหนักควนใจมีพิเดษอย่างย่อนั่นที่ควรใจสัตว์โลกถ้าให้มารกจากจิสสตายไม่หยุดไม่ยัง้งไม่ทราบต้นส า, าเหตุอย่ที่ไหนเกิดน้าตาเล่ตาตลอดเวลาก็คือเรื่องพิเดษเรื่องหยุดพอพิเดษได้หมดสิ้นประจักษ์แล้วต้องความเกิดความตายไม่มีปัญหาว่าเอาปัญหาแต่ไหนเรื่องปัญหาคือเรื่องของพิเดษเท่นั้น มันชิ ps, ้นไปได้มันก็หมดปัญหาเพราะฉะนั้นผู้ก่อควรจริงเรื่องของพิเศษผู้ทําลายคือเรื่องของพิเดษนี่ว่าทําลายสิ่งที่ก่อควและสิ่งที่ทำลายตนอย่านัแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากอบควรทำลายสงบสุขแต่ยังบ้านเมืองไม่มีอะไรมากอบควรทำลายบ้านเมืองนั้นก็สงบสุดถ้ามีสิ่งแคกคือมิ้กก่อควรทำลายอยู่มันก็เกิดลั่นกันไว้อย่างที่บางไทยเราแสดงอยู่เรามีเห็นอยู่อย่างนั้แมันมีอะไรอยู่ สงบเป็นไงจิตคลุ้งช่านเรื่องอะไรเราเป็นผู้ทําให้จิตคล้งช่านในสมอผลของความคลุงช่านก็คือความทุกข์ความสงบก็เป็นผลเนื่องการกำหนดการพิัินาการรักษาความสงบมีมากน้อยความจิตก็มีมาตามากัน งานที่ไหนโลก เ, เรียงเล็กน้อยล้วก็พอได้สบายใจมากไม่ต้อร้อนทั้งวันทั้งคืนพรืองนี้จะอยู่มันอยู่ที่ใจนะไม่อยู่ที่อื่นทํานี้จะเป็นสอนลงที่ใจเป็นน้าขันใจนี่เป็นใหญ่ในโลกนี้มมีอะไรเป็นใหญ่เมื่อใจี้เป็นใหญ่มาก โลกจะแสดงความเดือดร้อนมุน่งาขึ้นมาขอเข้าใจของผู้ปกครองโลกโลกจะมีความง่วงร่มเย็นโดยทั่วกันขอเข้าใจที่ของโลกเนี่ยมีทำมีเหตุมีผลเป็นเ่งป ก, ก, กคลองมีสือมีแปรไดาแล้ก็ดีให้มีสื่อมีแปลได้ไมแย่กิจการเราถ้ามีลื่าา ม, มีแปรเป็นเครื่องปกคลองแล้วนันก็ดีต่อให้เกยกมาเปงนสื่อเป็นแปรแล้วกแหลกขึ้นอ่ะเอาละเด่๋ยวนีเราทไปมากนาี้